นันแห้งเนาะตเลยกลางกายเขกเดังมงอฝันเาอกฟงนกอินทรีย์นี่มีหม คือค uh ัดแนบบ่ออนแอร์มุกจะเกิดความมูซิบ่อทอเทนบ่อมันเป็นขึ้นโลกมุก็มีบอลหอนบอนหนาวดิทัศน์นดาบอนมันหอนหรืออนถิ่นน่ะอนมก็มีชวนทำให้ห้าต่อลนมัดระว่าง ยางขาวอื่นว่าพื้นที่ว่าไม่ฟ้าทม่ดองนมต้าวอื่นว่าเมือเมืองเมือง้นจนเมืองนถูกข้นยาขาอื่นว่าตาขาวกะากูยาตาย่ายาตาข้าวข้คือความโลภความโลภมันยื่มันจะแข็แรกนีแบบแน้ง มันเกิดใวันได้มันมาใี่ในท่านนท่านเกี่ยวกับชารดกชาดดกต่อมาถึง่วนต่อกรให้เาเเอามาถกทวดชาดกเกีเ่ยวกับเห็ดชั้นดอนเดชัน้นดอนมาจะกลกถึงเหลืองของการเชื้อสระการท่านครับ ใช้การหายใจเ่อนาดาห้าข้อดาสองนี้จะเป็นธาตุที่มาเพื่อยาธาตุขันการเชียสาระผูกอาค่าปลกรรมธรรมเ่นการหายธาตมีส่วนปกติ ฝนเห่ ม, <HHH> มันจะมีความเสน่ห์มีความผู้หวงมีความหอมแสนความผู้หวงความแสนภาษาผู้อื่นว่ามัจฉริยะภาษาผูอื่นว่ามัชชีมัจฉริยะความผู้หวงความแสนก็ดพื่อเรื่องคานสิส่วนอ่านรู้ซืมเวลา เรีนซีเรียนหาซีเดียนหาข้อหนึ่นนงโบรา ง, งการศึกษานีส่วนของการร่วมร่วงฟันฟังเท็จมีท่าอ่านมีท่าในฟังท่านฟนส่วนกระอกับการนามาเที่ยวข้องท่าีกอนมีท่า ความเชื้อสละสาวคนตะนีและคนมีนิสวนณของความหลุซิกของความอยากความมีความมายตัดอื่นว่าอิจฉาพ้าภาษ <c oughs> า <c oughs> นี่ยกะกะโพวอหูเป็นเหล่ยมไม่ลาอีย่างเรียว่ากันพว์หูแล้เหมือนกันโยนใจเอาเพราเกันมีความอยากกันทุกพ่นเกิดขึ้นมากไม่นลาดได้ยาก สองความอยากมนนีความอยากมันคือความหมุ่งสต้องคน้นคว้าหาลบหาวิธีลบให้หนาวมากก็ยังหาผัาตุมปลาหอมไว้ตุ่มปลาห้องดอกคือการลบให้ลบความเ ย, ย็นความหนาวบ้านว่า น, า น, านพื้นผ้าในเมืองบ้านบ้านของคน หลุนเรียกว่าหลุนก้อนๆ น, นี่ เ, เนนพื่เให้ไว้ไม้นั่นเพื่กจะเห้ได้ขนาดนั่นเพื่นก็ว่าสมบูรณ์ลบที่มายาม้ํามากก็ลบได้ อ, อันตรายเกิดขึ้นเี่วกับฝากกับพ้นกับพ่อลบได้ คนเท่ามันมีพลังงานเยู่ใน่โตพลังงานเกิดเกี่ยวกับเรียกว่าระบบของการส่งองโตเรามาประกอบกับการเป็นโยกระดับโยใด้บ่งกระดัคอคิดตัวมนุ์เท่ามันมั่มี่ยั้งสีพส่พ่อชี เป็นชวนในเกิดความหูซึกในทางมีโทษมีอันตรายเหมือนว่าเล็ยบยังเสียเี้กับว่าฟสิได้แขวฟันมันนี่คือกันกัดยังกบ่สิได้ต่อสู่สัตว์วก็บว่าฟสิได้แต่ว่ามันกัมีส่วนกับดานสมองตอนนั้นนะพัฒนาสมองมันมีส่วนทัศสะประกอบห็มันได้ ฟ้างนอกจากเอามาเขดมตัว <c oughs> มัจฉริยะความตะนีหึงหวงมันก็พาให้เกิดความหวงใหญ่ความหวงใหญ่หลายมันก็เกิดความผูกมัดตัวอยังว่าโบพัชฌ า, านพนินให้ข้อมูลในลกูกแบบเตือนสติความหัก นาหักลูกนี่จะขเสือขึอข้นขวามนมาสินได้นี่แท็กซี่แมนบอ แ, แม่หน้าว่าใครมีแต่ไม่อยอะลูกสิมเพรดอกกล้หมดนะห <c oughs> ักข้อของคือาขึ้นฟัวผูกชอกฟัวหั่งเมียคือปอบชบเตีนคนมาสนสาม การนี่เหมือนมามีส่วนผูกให้กินเกือกในวัตตาสงสารวตาสงสารคืออยังความโขนเท่านี่หละความคุณเครื่องเางี่จิตใจของเหเงสาวม้อนจิตใจสาวม้องเ อ, อาล่มเล่าร่อนมันมีส่วนกับควา ม, มีต๊กกังวลมันก็นเลย เขาล่นให้เกิดความโมสิกบอมีความซางัดบอมีความสุขเป็นเสนโน่กานเล่ามีส่วนจัดการกรับส่วนประกอบมูลนี้ไอะไเพิ่นกระเอื่อนว่าเป็นผู้โลกเป็นเสนโน่ผู้โลกภาษาเพิ่นสมมติเพิ่นว่ายัง เ, เรียกว่า โภมีส่วนของความดีอันเกิดขึ้นจากความบ่หอดใจบ่หอดใจก็เย็นใจเย็นพ่นเก็เอื้นว่ะความเป็นอิสระความสะอาดพ่นเอื้นว่านิพุตตานิพุตตาคือเย็น ยังมันเย็นเจนมันหนําแข็ง <ś led> ใจมันเย็นกันปรินีพุทธาบุญวะเย็นสนิทภาษาหนึ่งเพิ่เอื่นว่าปรินีผานนิผ่านก็คือเย็นปริน่านก็คือเย็นสนิทเย็นมมีหอดกับเบิ ร, ร์ไปรงซาน แต่นั้นเขาก็มาฟึกนเห็นมันเย็นไหวทีละไา่ไผ่ในก็บยานํ่ออกทีละมันห่อนก็สช้างมันขังมันไววหันละไปเห็นวะคนตังปีเขาเลี้ยงลูกบางคนเขาบ่ามีเวลาเขาใส่กงใส่กงปิดไหวเขาเกดนี้ไปมันฉีห่องให้ให้ฟ้อมันก็นอนเส <c oughs> ่นดว้วยมับมอตายได้ <c oughs> <c oughs> วนห่าทกันมันหอนก็ขังมันหน่อยหรอกเหมือนม๊อบี่นไปมันกัดวดกำลังกัดเศร้าเองหนุวันไปเห็นโรงที่เขาการดำเนินชีวิตของยุคนั้นสมัยนั้นเราเห็นแล้วเขาก็เอาซัดเหลี่ยมเขาไหวเขาหาอาหารใหม่มันกิน อันที่มาว่ามนุษย์มั่นสละจะดอกเมื่อมันเกี่ยวของกับสัดเลีย้ยงมันก็ต้องหาผลประโยชน์จากสัดเลีย้ยงว่าได้แน่อื่นจะได้ขี่ว่านเสียขี่เป็นส่วนประกอบของการให้พื่งจะเลื่นเติบโตมันก็มีส่วนดึงดัน นี่คือการหาโยโย่หนุ่มแบบได้กระตามเบิ่งจิตเบิ่งใจที่มันเป็นส่วนหนึ่งของด่านสุขภาพดา่านนามันธรรมด่านจิตใจด่านจิตใจบอมมีนี่เรียกว่าบอมีพุ่มขุมกันบอเขยมแข้งแข้งแรงมันกันมีแต่โลกแล้ว การมีส่วนชงเสริมมูลนิภเพิ่งว่ามีส่วนของการเสียสละเรียกว่าการบำเพ็ญบำเพ็ญบรารมเีเป็นเพ็เอนเซ่การให้ทานอบอกเห็นแก่ความหูซึกผูกมัดจะคล้องในลูกแบบจำกัดสร้างความเอื้อเฟื้อให้มันเกิดขึ้น ความเมื่อเพื่อความวังดีแต่สมัรเป็นคนมีความหูซึกในการเป็นโยแบบซื้อซัดซื้อตรงตัวแต่ว่าคนเหาน้ามันเห่าก็ body f l ่ h a รอกความหูซึกมันนี่มันเป็นส่วนหนึ่งมันมีส่วนเกี่ยวกับด้านน้ำาทําด้านจิตใจของเหา่า ห้าขา้อจอมมีการคอบคุ้มมันเป็นนิสัยอย่างใสบห <c oughs> ้าคอบคุ้มได้มีกามีชวนให้เกิดความเรียบร้อยมันคอบคุ้มมาได้ก็ต้องหาหาบคุคคลผู้ที่มีเรียกว่ามีบุคลิกนาเกียงคามแน่มีความหลงแน่ สมัไมก่อนเป็นอย่างสัน้ น, นก้อนที่เกิดก๊อตระเบียบขึ้นมามแต่ก้อนมีก๊มีร ะ, ะเบียบมันมักมีการยืดแยกเ้ากคยไข่ยิงนูนนูบางทือปูหัวติไข่ปูควายตูกับบอขอมาเอาเลยมลันสียและมันมีตัวคนเอาอมันเป็นสายเห็นแก่ต้นแก่ตัวหลาย อาจึงมีการว่างกดคือห้าอื่นวา่าขอปฏิบัติในการอยู่รวมกันในสังคมเรียกว่าศีลกระดัเรียกว่ากติกากฎหมายกระดัอัตมาฟัง่งฟั่งอัญญาทานญาทานเป็สนสวดเวลามี กิจกรรมกับการจากไปเหว่าผู้ลีมาผู้ลีมาผู้ล า, า, ายุคนั้นสมัยนั้นนาเสจเกิดความเดือดร้อนอยังสีมากกระต่อง น, นี่มีการหาเอาอเอื่นวะหาแบบตือมือเอ้าหากันวะหาหยัาง หาผู้มีส่วนควบคุมดูแลสังคมให้มันเกิดความเรียบร้อยจต่ทางหาบุคลิกของคนผู้ใดพอที่เป็นผู้ที่มีส่วนให้เกิดความรูู้สึกมีกําลังมีสติปัญญาพอที่จัดการใหสังคมไม่เกิดความเรียบร้อยได้จะจัดให้ผู้นัน้นเป็นผู้ทำหน้าที่การทำหน้าที่ว่าก็ต้องออกกติกา หามเบียดเปลี่ยนหามทำลายหามลักยังเีง่หามประพฤติพิษอันเป็นชวนในความขลุ่ตอบุคขคอนเมื่อมันเกิดความเรียบร้อยสังคมก็มาประชุมกันร่วมกันก็บอกว่าดีดีเสนอดีก็เลยเขาก็ให้เกียรติผู้ ผูออกกฎออกระเบียบนึ่งว่าล่าส่าล่าส่าล่าส่าก็คือพ่อใจพ่อใจนึ่งคนน mm hmm. <c oughs> เป็นภาษาสั์เขา mm hmm. พ่อใจมันก็นทำให้เกิดความมู่งซึกมีความสงบเรียบร้อยแต่ไป อ, อ็นช้ามี่ฟองเท้าคู่กั น, น่ะอันมี วัดกัยาสิทือวามันเป็นเรื่องของครูบา เ, เรื่องของทุกคนมส่วนประกอบมีส่วนสี่เหุสี่ทมจัญย่มณยาอามารวมกันแต่ละขังแต่ละข้าวก็ได้ความลูความลู่ในการดำเนินชีวิตอย่างเส้นแต่ว่มีมยั้งลายก็เป็นส่วนประกอบให้เกิดความเรียบร้อย ทางวัดมันก็มีการให้ข้อมูลคือกันให้ข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายดูแลพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นกาสอนสอนเรื่องการดูแลสุขภาพอื่นนว่าเพศสัต์ ซือมันมากอางสั่นซื้อมั้แต่ก่อนว่ท่านม่ซือ้อดอกไม่ซื้อมากตัง้งแต่คนแพทย์เป็นส่วนประกอบของการดแรูแลบำบัดรักษาแพทย์แพทย์มันมีส่วนเกี่ยวของร่างกายก็เน่ามันชมส้อมอยู่ในระบบนี่ พอสารบางอย่างในร่างกายอาทจจ่บอกเกิดความหูซิบมือนั้นคูว่าคูว่าเพิ่นเอาเพิ่นอื่นว่าเฮ็ดนะนี่ก็ต้นใหม่นะมาจากระบบต้นใหม่ที่มันมีส่วนของเชื้อราเห็นว่ามันมีส่วนเป็นยาเป็นประโยชน์ต่อการยับยัง้งเพิ่นว่า ยับย่างโลกเพ่อนวยับย่างโลก ม, า, า, ลกมาเร่งเพ่อนว่เสรเพ่นวาขงันนะตัว<ส><น>ได้เป็นโลกมาเรง ก, รมก็มักจะถือเอาอันนี้บอกว่าหาหนักราคาแพงมาส่วนร่างกายของก้อนห้ามันมีระบบยีนตัวยี น, นบว ก, กยีนลกแต่ยีนบวกมันหน่อย ยินลบมันไลยมันก็เสื่อ ม, มเอ่อก็เอิ่นว่า ม, มันมีส่วนของธรรมชาตินำเป็นสั้นเรื่องเพศชัดเ่ากล่าวว่ามียังกับ่างกายคนเฮากับมีไขมันมีน้ำตาลเอ่อมีระบบเกลือแหล่เฉยแหละ บวิตามินบ๊บโปรตีนและ บ, บ๊บคาร์โบไฮเดรตพลังงานห้ามีส่วนหูจัก ม, มันมีส่วนเอาแต่สิ่งที่มันทำให้เกิดส่วนเกินมากมันก็บอสามารถกำจัดได้เห็นส่วนมากสมืออาหารทุกประเภทมากสิมีน้กตาลตัวทานไลยพน นตาลกัมาจากพืชเท้านี่แหละบางแหงกัมาจากพืชมีเงาบางแหงก็มาจากแกซ้อนดอกใหม่บางแห้งก็มาจากพืชที่เห่าปลูกเห่าเห็ดเห่าทำกันคืนแตามันมากมันร้ายเห่าก็หูจักว่ามันอาชีนีมีส่วนเกิน ระบบของการทำนาทีว่าสามารถทำได้ทั้งฝุ่นก็เป็นกันอย่างสัตว์เดี๋ยวเมือ่อยอังกฤษเหมือนกว่าเ้ยนำบวานฝุ่นมาหลงบอวานหมอเขาว่าเป็นโรคบวานเจ้าของคือบอหูจักว่าเป็นโรคบอวานเป็นพออย่างก็เป็นพอ เ, เพอห่าบอหูจักดูแล ให้น้ำตาลมันหลายเกินมันก็กจัดบ่ได้บางทีอ่อาหารการกินนักับไขมันมันก็หลายตัวไขมันมันหลายกับลังมันก็อ่อนแอพอการดูดซับดืดซึมในรูปแบบของการรอเเลี่ยงระบบเซลล์ต่างๆกับว่าสามารถได้ความสมบูรณ์ได้มันก็อ่อนแอ หโลกไขมันธรรมามักแนะนำตัวแต่ ว, ว่จาจะกรบมเมนันแนะนำพื้นดอกแนะนำจะพร่องนี่แหละเห็นว่ามันบอแข็งแรงเห็นว่ามันบอสะดวกบางหูซึกว่าของเคยเห็ดของแก้วมันกะเห็ดบอของแก้วมันมีลักษณะอ่อนแอแต่คิดว่ามันสิขาด หรือมันมีส่วนไหนส่วนหนึ่งบกผ่องคัดคองคิดว่าหลังกายของคนก็มีทางเดิอนอาหารตัวทางเดิอนอาหารตั้งแต่ช่องปากเข้ า, าไปหอดฟุ้งละทะว่าแไปหากระเพาะกระเพาะมันกับบรรจุได้ในลูกแบบขีดจำกัดมีเรียกว่ามันมี ความหูซึกทำหน้าที่ได้1วันอ้าวบัรจุไปเธอนึ่งมันที่ทำหน้าที่ได้1วันหนึ่งมือมก็พอดีกันระบบลำใส่เป็นส่วนย่อยของอาหารเกา่ามันก็เน่ า, านนนนด้วยลำใส่ข้นมันจะสั่นไปไหนได้อืมอามน ท่าษพ่าตั้งผุนเขาเอิ่นว่าแลนว่าวได้ล่ำใสมันตั้งสามซิฟฟุตสี่ซิฟฟุดบอกบะสันมันได้ได้ส mm hmm. าระบกที่มันมิ่วนคัดข้อไขรมันเห่าท่านเข้าไปส ม, มือ <c oughs> <c oughs> แต่ก้อนเห่าก็ใช่ ไขมันจากผืชจากมะพร้าวสมือกัมันระบบการข่าการขายมันบรท่านก็เลยต้องเอาไขมันนี่กน้ํามันตาลมน้ํามันปาล์มมันก็มักมีการเคลือบการติดเพราะมันเป็นไขมันประเภทเรียกว่ามีส่วนสะสมบอกคือไขมันประเภท บักภาวเข้าเอินไครมื่นประเภทมันพ่องไกรมัน่นต่างกันจะได้อันโหว่ามันเป็นหัก็อืมรูแร่เท่านั้นหูวจักหล่างคือกันผามันเปือ้อนอบานอยู่เหือนเช้ามันสกกับป๊อกก็เจ็ดกระโูษ ปาเปือนเทาก็มีการซักอนันให้มันสะอาดยังค่อเอามาใส่มันก็ดีแล้วมามาานี้ก็บเบิ่งแต่เบิ่งหนังก็โว้มี่มันไขมันมันเบาไขออกลูกไป้ะมันหนากันไป่หอนเมื่องทุนอานน้ำไลด์โลล่อโอ้จะมันเบาคิดกันอย่ไงไ เว่าฟ <ska self> ืนบ่แต่จะฟองเป็นเอาน้ยธสวโยมันก็บอก่ตัวก็ได้สงแแต่ว่ากระบเป็นยังดอกมันเป็นธรรมชาติของบรรยากาศโลกกัเป็นธรรมดาอยู่ก็ต้องทํามสะอาดตัวมันก็จังบ่อเม้นสาบเม้นข้าวมันจังบ่อเป็นทีลังเกล็ดของสังคม แมงวันมันจังสีบอตอม <c oughs> แต่แมงว่นตอมนะ <c oughs> มันกระตองหาลบหาลีกลัวผู้อื่นเข้าชีรังเคียตแห่งสันดอกอีให้กันแต่มันมีชวันเก <c oughs> ติดร้ายเขากลางมันแนเ่เอินว่าทายทายล่าง รบบการขับการทายมันก็เป็นการล่าง mm. ก็ดีตัวดรวมาเฮ็ดล่างอย่าข้อมาหลายปีละ mm. เฮ็ดอยู่เรื่อยอย่างหน่อยก็สิบปีเฮ็ดตัวนึงก็ยังไข่อ ย, อยู่อแต่ว่า mm. ก็ต้องหูจักว่าวัตถุประเภทใดมันเหมาะในลูกแกบของการทำความสะอาดมันก็บ่อนองเนื้อไปจากน้ำกคือกันก็ล้างทำาสะอาดผาแพ่ห้านี่แหละน้ำห้านี่ก็อาศัยน้ำน้ำสะอาดจริงๆเลยน้ำสะอาดก็ต้องมีส่วน อย่างอื่นมาอพราะว่ามันคือกันครับเอาสิซักผ่าที่มีแต่น้ามันก็ออกโยมก็ออกพอดีก็ต้องเอาระบบที่มันเป็นชวนเป็นด่างเป็นหยังต้องกอบไปน้ำเอาอื่นว่าสบูสบูก็มาจากไขมันนี่แหละเอาไขมันมามีส่วนต้องกอบเอาไขมันล่างไขมัน เอาอันนั้นที่ละอเอาสารละบายดีเกือเอามีส่วนหนึ่งสะเอามาใส่กับนําแต่ว่าอย่าใส่ร้ายได้ล่ะใส่พอดีสิ่ซ้อนหนึ่งนันสิกำหนัจากแปดลอยแปดลอย ซามาผสมสมหล้กเากะมาแบง่งแบ่งส่วนออกมันได้จากซ ส, ส่วนอันหนงกับมนาวห้าอันนึงมหนาวแถวนี้คือสปผูกมหนาวมาขึ้นมาชมคืนยบมะนาวมาขึ้น <c oughs> แต่ว่าหงี่ยดอก สมือเขาเาทรงมาทางระบบการคอนโซมมาหอดโยหนกนาจาก8ดหน่วยน้ามันมากรอกแกวนี่ก็อจิมีเเอามามีส่วนประกอบหนาจากแดหน่วยน้ามันรกรอจกจ๊กสองลอดนี่สิามาผสมกันอ ว่ามือเนี่ยแหละห้าสิลาห้าก็อูอจักว่ามันมามีพรราคิดในการเกี่ยวของกับการอยู่ร่วมในสังคมกต่มันเวลากขึ้นเนะหมาะที่สุดแต่ว่าห้าก็ตั้งนาฬิกาไว้กาว่าสิบสิบหกนาฬิกาห้าหยุด กินขนะ่ากินหนาใบชี้มองทั้งผลแต่ทั้งมือตัวเหมือนในแถวหนิว่ามีใบเนี้ยมึตงตะเวนมันไปทั้งขามอันเ <c oughs> บิ่งในกากะชี้ฟ้องหูจักนี่หระกันที่ว่าทั้งตะวันออกมันกับวอรแมนทีว่าทั้งตะวันตกมันกับวอรแม่นไปพอละเรื่องกัน าชิพพนกนาคห้าหยุดกินเขากินนาปล่อยถึงหวจักสองชั่วโมงเก้ชิแปดนาฬิกานะแต่ทั้งผีชิปแปดยังแจงอยู่ได้ <c oughs> ทำขุนขันชิปแปดมันก็นเริ่มไกลข้นค้อน <c oughs> หอกชัดปีหดงหอกควาย มาเข่าบานเข่าซองหาทีพักทีนอนอันที่แปดนายกาห้าก็เอาหนามห้าผสมกับอันนั้นอ่ะทีเกล่สองลอยซี ซ, ซีมาเดิมเข้าไปแต่ว่ามันก็บโมแฉบอะไรไรมันโมมีน้ำตาลฮึฮึฮอ่องวันนี้มันโมแฉบแต่มันก็บโเป็นยัง วันนี้ยี่สิบนกาเขาก็เอามาอีกเอามาเตรมเข้าไปอีกสี่นะวันนี้หอดยี่สบสองนาฬิกาเขาก็เอาหมากหน้าหมาบีบเอาน้อมันมากรอกที่เข้ามีส่วนเกีบไว้สองลอยซี่ๆมาผสมเข้ากันแล้วก็ดื่มงนี้ ดีใส่กันดีๆก็บเดิมเดิมขับไปกับนอ่นนั่งแยะติงนอนก็เอ่นว่านอนงแพอ่อปล่อยมันเป็นธรรมศาสัตว์ธรรมดาไปจักอีสิบหน้าที่กันยังดีองอพอวามงาวนอนงแล้วระบบการเรียกว่าส่วนประกอบที่มั่นสิเขาไป เกี่ยวของไปหาระบบไขมันก่อติดนน่นมันจะคอยมีปฏิกิริยาให้ไขมันลดลดออกลดออกสี่นาแล้วมันก็ขึ้นจะเข้าห้องน้ำออกมานี้น <c oughs> จะเข้าห้องน้ำแต่ว่าบัดนี้ห้ามันเข้าห้องน้ำมันจห้าได้หูจกบบักว่ามีสิ่งยั้ง น่ยยอหันบางคนมีหอดมีหอดชุมช <c oughs> ช่มชนนะะ่อนไหมม่จักตอชุ่มช่อนชุ่มช่อนสิงมีชีวิตเ้าเงินขี้กระตือกัน <c oughs> <c oughs> กออกว่าเวิดแล้วเขียวเียวกับมีเป็นขึ้นมาแลงก็มีผู้วางคอน <c oughs> อออมา เดี๋ยวก็บอเป็นยังหอมาก็สร้างม่านนก็มันงกัิคอยสบายไปเรื่อยๆฝนสมเทือ่เทือ่เจเทือ่ปเทือ่ฝนกก็บเมยหบอกเมยบหิ้วมันอดาแจ้งมมองเศร้ามากก็เอาอีก2อยมาดื่มก็ไปอีกมั่กัดิคอยสะอาดไปเรื่อย สองม่อ ง, งเศร า, าก็เอามาดื่มอีกสี่ ม, ม่งไปกินขา้าวกินขา้าวหาทำงานทำการกัดสะดวกปีโยมลำบากแต่วาาต่าจาเฮ็ดลุตอนนี้เฮ็ดลุมันสิบมีผลกระทบต่อระบบบางส่วนคือระบบพลังระบบตับนงนี่แหละ มันจะมีผลกระทบเพราะมันจะไปหลัางหอดทอทุ้งน้าดินาะเพราะคนห้ามีตัวทอทุ้งน้ำดีมีอันนี้ก็เป็นส่วนของการดูแลสุขภาพเราเต้ากระเฮ็ดได้เยอะเพราเฮ็ดกับว่าเป็นยังสมือแต่ห้าสี่เฮ็ดห้ากระกถามหมอเขาแต่ว่าหมอเขาจิตปฏิเสธเขาบ่กเขาบอกว่ามันเป็นความลุมที่เขาบอกขุณเกย ของมันนี่มันกะคืนอยกับห้าเอ็มพอห้าสที่ต้องหูจักจะค้องก็ต้องดแูแลอันนี้ก็เป็นการเกี่ยวกับการดแรูแลสุขภาพแต่ว่าถึงเวลามันก็ตายขึ้กันละ่ะก็น่าของกมียังสัตมันบอได ดูสาบท่าได้ค่ะคุณพ่อยุ้ยใชจิบ่ท่านเคลือิบ่ท่านเคลื่อนค่ะใช่มาเคือนโต๊วเป่กจะกบฏเป็นยังตกบ่ตายวะ สัปปะหลงคาวินิมยตัสสะมาสันต์ On that now, hand. บาปเดือ